ฟังทรมต่ออีกเพื่อจำนี้จำนานในการงานของตนของตนเราก็สาทยายพระสูตรได้เยิงกับทุกคนว่ากัดเกืบทุกคนมีหนังสือ เหนที่ยืนหยัดนี่เป็นงานจริงๆเป็นศักเป็นงานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆบางอย่างก็พระเจ้าก็เ น, น้นเอวังเอวั ง, เอ ว, งเอวังมีเท่านี้จริงๆโดยพระพุทธเจ้าวันหยัดสวดพระองค์เอวังมีเท่านี้ เหมือนกับกมไม้ในป่าเอากมมือเดียวมีเท่านี้แต่ใบไม้อยู่ในป่ามากกว่ากมไม้ไปไม้ในกำเือแล้วก็พระสงฆ์ู้ที่เป็นพระสงฆ์ยางตั้งแต่เป็นพระสงฆ์ โสดาปฏิมาโสดาปฏิผลสติ ข, า, า, ข า, า, า, าขามีมักสติขาขามีผลอาณาอาณาคามีมักอาณาคามีผลถึงอาหารหันต์มักถึงอาหารหันต์ผลส่วนมากก็รู้เรื่องนี้จริงๆเอวังเหมือนกันไม่รู้เรื่องอื่นสาวกของพระองค์ส่วนมากก็รู้เรื่องนี้เป็นไปเพื่อสาวกส่วนมาก จึงเป็นสาวกถ้าไม่รู้เรื่องนี้ไม่ใช่สาวกของพระเจ้านั้นก็นยืนหยัดแล้วภาาการกระทาแล้วก็โดยสาทยาและสวนพระสูตรอริมกักมีองค์แปดเป็นทางสมาสติสมาสมาธิคืออะไรเรื่องอะไร เรื่องในตัวของเรานี่ในกายมีใจนี่อะไรที่มันเกิดขึ้นอะไรที่มันมีมันหมดไปอะไรที่ไม่ไม่มีมันเกิดขึ้นมามันเป็นไปเองเหมือนนั่งยานยานมันพาไปแผนที่มันพาไปมันบอกทิศบอกทาง ใครชำนาญเรื่องใดก็มั่นใจในเรื่องนั้นคนขับเครื่องบินก็มั่นใจขับเครื่องบินจะลงสนามให้ได้จะขึ้นให้ได้จะลงให้ได้คนขับรถก็มั่นใจในการขับรถคนเป็นหมอก็มั่นใจในอาชีพควนเป็นหมอรักษาได้รักษาได้ ชาวนาก็มั่นใจในะกนารทำาทาไรเรื่องลูกเรื่องหลานได้ไม่อดไม่อยากอาชีพต่างๆก็มั่นใจในาชีพของตนมีอยู่มีกินได้อาชีพสิขาและธทำก็มั่นใจในอาชี พ, น, น, ช พ, น, น, ชพนี้เหมือนกันโดยเฉพาะก็มาฐานเป็นอาชีพ ของจิตวิญญาณนกกจับตั้งกับจับสายบางเหียนของชีวิตได้ยิ่งกว่าคนขับเครื่องบินเครื่องบินก็ยังเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ชีวิตขับรถก็เป็นส่วนหนึ่งเกืบมากครับล้อเหียนก็เป็นคนละอันกันเขายังมั่นใจคนเป็นอาชีพอืนินก็มั่นใจเขายังทำได้สาเร็จได้ นี่เรามีกายมีใจแใท้มีกรรมเป็นที่ตั้งเอาไวา้ต้องมาถามศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วก็มั่นใจแบบนี้ปราลบธรรมแบบนี้เพื่อให้เกิดเป็นธรรมอย่างนี้อย่าเอาบุคคลไปที่ตั้งอย่าเอา โลกเป็นที่ตั้งให้เอาทำเป็นที่ตั้งเพื่อธรรมความหลงไม่เป็นธรรมความรู้เป็นธรรมตั้งไปให้ได้มีสติเป็นธรรมถ้าหลงไม่เป็นธรรมตั้งให้เป็นตรงนี้ทําให้เหมือนเป็นมันจะมีเหมือนกันต่อความ ห, หลงควง โอดความโลภความทุกข์มันเป็นสิ่งที่มาเปิดเพื่อนกับรูปกับนามเพราะเราใช้ชีวิตไม่เป็นการเจ็บป่วยในวันนี้มันผิดพลาดจากวันก่อนโน้นไปใช่กายผิดอะไรมาไปใช่ใจผิดอะไรมาไม่ใช่เราจะมา เห็นทุกเพราะสิ่งที่เราใช่ผิดเราก็ต้อง ม, มองเห็นการกระทํากรรมมันศักดิ์สิทธิ์มาจําแนกมามันเกิดจากการกระทําของเราจริงๆไม่ใช่เกิดจากสิ่งลิขิตศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นมันก็เกิดจากการกระทํานี่แหละกรรมจำแนกสัตว์ สัตว์โลกันไปตามกรรมทำดีมันก็ดีทำช่วงก็ชั่วมาทำกรรมาฐานเนี้ยมันก็ยิ่งมั่นใจเห็นกายก็มีอยู่จริงกายนี้ เห็นกาอย่างเดียวเห็นทั้งใจด้วยเห็นทั้งกิต ด, ด้วยเห็นทั้งสุขทั้งทุกข์ด้วยเห็นทั้งธรรมด้วยมาเป็นพวงเหมือนโย่เห็นที่เข้ามาจรวดทัดวงจรหรืออะไรยัยนต้องถือหนี้สำเร็จเหรียนจบมา นั่งอยู่ดูหน้าจอโทรทัศน์ก็เห็นทั้งบ้านเห็นทั้งประเทศกับสุบจริตไร่ได้เดี๋ยวนี้มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์อะไรมากมาแต่ศาสตร์อัน น, นั้นเป็นโนกตัวไปจะผิดจบถูกอะไรได้ แต่กรรมจริงๆมันจับไม่ได้มันอยู่ที่เราเท่านั้นที่จับกรรมได้ที่คิดกรรมได้เราจะรู้เนี่ยมันหลงเราจะเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยอะไรมัักดิ์สิทธิ์เท่านี้ได้เราจะว่าอะไรก็เป็นเรื่องคนอื่นบุคคลอื่นเขาแต่เรามั่นใจ เรามีกายมีใจไม่ใช่มีคนละอย่างมีอันเดียวกันทั้งหมดปัญหาเกิดกับกากับใจก็มีการเกิดเจ็เจ็บตายเหมือกน ก, อกันหมดตัดถินมาแล้วก็ดีถูกตัดถินมาแล้วจำเลยเราเป็นจำเลยของการเกิดเจ็บเจ็บตายมากันทุกชีวิตเราจะต้องมา แค่ต่างที่ภาคสาษาทุลาการโตเองมีสิทธิแบบไหนเริ่มแบบใดเหมือนกับสติพิภาคษาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราทุกรูปแบบ มันหลงเห็นหลงผรมหลงไม่เป็นธรรมต่อชีวิตกรมทุกข์ไม่เป็นธรรมกรมไม่ทุกข์เป็นธรรมตอบได้ทุกชีวิตเกิดโกรธไม่เป็นธรรมก็มไม่โกรธเป็นธรรมให้ใครมาช่วยไม่ใช่อ้อนวอนเป็นการกระทธรรมที่ว่ากรรมฐาน นี่ต่อแย่ต่างไปเรื่อยๆไปมันก็มีหลักฐานกวามเป็นธรรมก็มีอยู่จริงก็มไม่เป็นธรรมก็มีอยู่จริงแต่ความไม่เป็นธรรมมันทนต่อการเป็นธรรมไม่ได้ไม่จริงธรรมย่อมชนะธรรมเสมอสมทัดดู จะเห็นลูกทางเป็นทางไปทางที่มันเกิดจากการกระทาเขาเรียกว่ายานจนเขาถึงวิปัสนาญาณจนเขถึงฌานเพ่งเผาหมดบ่อยอย่างที่เราสาเที่ยพะสูตรก็ถึงจจตุตยฌานละสุขละทุกเสียได้ จิตนีสติเป็นเอกผลเอกสติเป็นเอ ก, เอกหนึ่งเท่านั้นสมาธิเป็นเอกเอ ก, เอกของชีวิตหนึ่งเดียวแล้สุขตัวทุกข์ ก, ก็นิพพานตรงนี้ ไปหาที่ไหนมันอยู่ที่กายที่ใจของคิชีวิตเราเนี่ยตั้งแต่ปฐมเปลี่ยนหลงเป็นลูกทุกชีวิตไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบไม่มีเกลีดไม่มีชีไม่มีอะไรเป็นการกรรม อย่ามาเปรียบเทียบเอาเพศเอาวัยเอารทเินิกายไม่ใช่ใครก็หลงคนแ ก, ก่ก็หลงคนหนุ่มก็หลงพระก็หลงได้โยมก็หลงได้กล้งวันกลางคืนไม่เลือกมันหลงได้มันก็รู้ได้อากาศาลิกธรรมเป็นอย่างนี้มันศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มันหลงที่ใดรู้ที่นั่นอะไรที่มันไม่ใช่รู้เปลี่ยนมาเป็นรู้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยลราก็มั่นใจก่อนใช้ชีวิตแบบไห น, นก็มั่นใจแบบนั้นตอนต่อไปนิวยอร์ก ลงเครื่องบินที่นิวยอร์กขึ้นเครื่องบินต่อจะสารผ่านชิสโกไปนิวยอร์กในลามันจะลงจะนามบินนันลงลงไม่ได้ลำหน้าจะลงทีใดก็ลงไม่ได้ไดเกิดขึ้นไปอีกคนขับเครื่องบินมันกลัวคนนั่งจะไม่สบายเป็นทุกข์บบอกว่าจะพยายามลงให้ได้ แล้วนี่อากาศบนผิวสนามบินปัน่นป่วนมากจะพยายามลงให้ได้ดูหน้ามันเราดูจอมันก็ยังยิ้มอยู่คนขับเครื่องบิน่ะไม่ใช่วิถุกรรงบนอะไรเราดูไปหน้าคนขับเครื่องบินที่มีอยู่ในจอทีวีคอมพิวเตอร์ มันก็ยื้มยิ้มอยู่โอ้ ก, กันสองคนอยู่คนนั่งเครื่องบินก็สบายไม่ได้กังวลอะไรแล้ถึงก็ลงได้จะพยายามลงให้ได้มันก็ลงได้ไนเขามั่นใจอะเดี๋ยวจะพยายามเปลี่ยนหลงเป็นลู่ให้ได้มั่นใจร้อยเปอร์เนเวลามันหลง เวลามาโกรจะเปลี่ยนโกรเป็นแม่โกรธให้ได้มั่นใจร้อยไปจนรียกว่าสติสมาธิเป็นเอกใหญ่กว่าความหลงควมรู้มันใหญ่กว่าสมาธิคือมั่นใจจริงใส่ใจอยู่นี่มันใหญ่กว่าความหลงมันจรมาความทุกข์มันจรมาจิเลศมันจรมาไปกวัวอะไรเรามีเจ้าของเราจบพงมาเลยอยู่เนี่ย ใช้เขามาแยงไปเลยไม่ใช่เขาป้นเขาชี้เหมือนเขาป้นเครื่องบินไปชนตึกเซ็นเตอร์อะนั่นเขาป้นเขามีดแทงคอมันแทงเราหรืออันจิเหล่ที่มันโกรธที่มันหลงมันทุกข์น่ะนั้นไม่มีอาวุธอะไรมันโง่โงทุกตนก็มาแบบดุนดุน เห็นมันอยู่เนี่ยไม่ใช่มันลับลี่ลี่แล้วมีสติมันเป็นหน้าลอกอยู่หลงมันก็มาโง่ๆมันมีหน้าลอกสติมีหน้าลอกเป็นเจ้าของอยู่แล้วจับพงมอะไรอยู่แล้วมันไม่เหมือนคนมาพ่นขับเครื่องบินไปชนตึกที่นิวยอร์กหลงตาเคยขึ้นตึกนี่สองสามครัง้ง สูงที่สุดอันดับสองของโลกอันดับหนึ่งอยู่ที่คาโกตึกเสียอยู่ที่คาโกก็สูงกว่าเพิ่มหลงไม่ป้นเราเหมือนกับมีสัตามีมีดเจ็บปวดแล้วก็รู้อยู่เนี่ยมั่นใจหรือเปล่ากรรมฐานต้องมั่นใจ คนที่เห็นความหลงเป็นคนที่มีสมาธิพร้อมมีปัญญาพร้อมมุ่จะเปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้มีตรงกันข้ามตรงกันข้ามเมื่อหลงก็เป็นไม่หลงเมื่อทุกข์ก็เป็นไม่ทุกข์เมื่อโกรธก็ไม่โกรธเห็นกันทุกคนเป็นเป็น เป็นโจทย์จริงๆเราก็เป็นแก้ทำเป็นเหมือนเราเรียนอะไรจบมาสองห้าเป็นเท่าไหร่เราเรียนมาแล้วเป็นโสสําเร็จสองห้าก็เป็นสิบตอไปเลยเขียนลงเป็นรูปแบบก็ได้เอาห้ากับห้ามาหัวกการรวมเข้าตอบเป็นสิบนี่เรียกว่าโจทย์ แล้วก็จำเลยแเรวก็แค่ผ่านแล้วมันหลงตรงกันข้ามมันหลงกว่ารู้ไม่ต้องขีดต้องเขียนตรงที่ใจก็เปลี่ยนที่ใจหลงที่กายก็เปลี่ยนที่กายตรงที่ตาก็เปลี่ยนที่ตาหลงที่หูเปลี่ยนที่หูมันเปลี่ยนได้ตาหูจมูกดิ้นกายใจรู้รถขีนเสียงเป็นวัตถุแหง่งเกิดแห่งปัญหาต่งตางๆแล้วก็มีสติ เ่็นได้เป็นหน้าลอกจูนี่กรรมฐานเป็นอย่างนี้มันควรจะกระตือรือร้นมันยิ่งกว่าทำงานอันอื่นํานาญไปํำนานไปํำนานไปํำนานไปมันก็ เ, เกิดวิปัสสนาญาณเห็นหลักเห็นฐานเห็นรูปเห็นนาม เรูปเป็นนามต่อบเพจรือรูปทําน้ํามทำมันทำอะไรโตสละอามทำดีทําชั่วลูกทำนามทำนามมันทําชั่วนามมันทําดีโตสละอัมรูปมันทําชั่วรูปมันทําดีธรรมันหนึ่งรูปเป็นธรรมชาต ตอทองโลเรือสองตัวงอมาเป็นธรรมชาติมันทําไมจึงมีทำแบบนี้มีรูปมีนามก็เป็นรูปทำแบบธรรมชาตินั่งนานก็ปวดหลังปวดเดวีวเดินนานก็เหนื่อยไม่มีอาหารก็หิวตากแดดก็ร้อนฝนตกก็หนาวเป็นธรรมชาติธรรมชาตินี่ไม่เป็น สิ่งใช่ได้เป็นสัญญาณภายัยมันบอกให้เราได้ช่วยมันถ้าไม่มีอะไรรู้มันก็ขิดหายแล้วรูปนาเนี่ยมันจึงเป็นธรรมชาติอันนี้รูปธรรมแบบแน่งเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรที่มันเกิดจากเป็นธรรมชาติเป็นความหิวไม่ได้ทุกเพราความหิวมันเป็นธรรมชาติมัน เจ็บปวดไม่ใช่เจ็บมันได้ทุกข์เพราะการเจ็บปวดมันเป็นธรรมชาติถ้ามันมีอะไรผิดปกติมันก็เป็นธรรมชาติมันบอกพอารู้จักรักษานี่เป็นรูปธรรมแบบนั้นเห็นรูปธรรมนามธรรมเห็นรูปทุกนามทุกอาอเห็นทุกเข้าไปอีกต่อไปอีกอะไรที่มันเป็นทุกข์ของรูปอะไรที่เป็นทุกข์ของนาม ไม่มากเราพิิตต์เอาทุกมันเป็นทุกพอมาเห็นเป็นลูกเป็นนามมันเห็นเป็นอาการธรรมชาติอันทุกเรี่ยกว่าทุกที่ว่าสุขไม่ใช่ทุกไม่ใช่ทุกเสียแล้วเป็นอาการเป็นอาการของลูกเป็นอาการของนามจมร่อนเป็นอาการของของลูกความเหนาะเป็นอาการของลูกความหิวเป็นอาการของลูก พร้มเก็บปวดเป็นอาการของลูกไม่ใช่เป็นโศกเป็นทุกข์พร้อมโกรธเป็นอาการของนามพร้อมโศกกังวลเป็นอาการของนามมันเปลี่ยนได้ทุกบางอย่างที่เกิดกับลูกกับตามกันเท่าซ่าทุกบางอย่างก็หลดลูบเฉยๆเหมือนเท่าไม่ได้แค่ไม่ได้เส้นหายใจเข้าหายใจออก ก็ต้องหายใจกําหนดรู้ไปเป็นธรรมชาติเราหายใจทิ้งไปเท่าไหร่เราไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องนี้มันเป็นธรรมชาติถ้าไม่หายใจหายใจไม่ได้ยิ่งจะรู้ว่ามันเป็นโศกเป็นทุกข์ยังไงแล้วก็รู้เนีย่ยทุกข์รู้ทุกข์หนามทุกข์มากมาย ทุกที่ไปเป็นทุกข์เพราะหลายอีกต่อไปอีกหเหตุนั้นก็เลยมาความยึดมั่นถือมั่นตัน้าตัวย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เราได้สวดสาธยายพระสูตรความส่งสอนใจสาวกทั้งหลายเป็นส่วนมากเป็นไปเพื่อดูเรื่องนี้ ป, นนรประส่วมากคือมลายอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ ไปยืดเอาทุกข์เป็นทุกข์ไปยืดเอาสูกเป็นสุขไปยืดเอาความโกรธเป็นความโกรธเป็นเราสาอุทานยืดไปมันก็ไปทุกข์เพราะไปยืด <c oughs> นันก็ผ่านไปเฉยๆรูปทุกข์หนำทุกข์ทุกข์บางอย่างกำหนดรู้ด้วยการรู้ทุกข์ัางอย่างกำหนดรู้ด้วยการบันเทา ทุกบางอย่างกาหนดรู้เด็ดารละเช่นความโกรธต้องละที่มันทุกข์อะไรต้องละอะไรที่มันทุกข์ก็ต้องละเห็นไม่เอาทุกข์เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ผู้ความทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันมันเป็นแบบแบบนั้นนะยานน่นนะ มันเป็นยานเชลหแต่ก่อนทุกเป็นรุ่นๆไปเลยแบบนี้มียานเกิดขึ้นววาวิปาาัาญาญยานคือทะลุทะลวงเหมือนนักบินอวกาศยานพาเขาไปเป็นปีสองปีเขาอยู่ได้บนอวกาศยานเขาสร้างขึ้นมันยังสำเร็จหนาะ มีปัสนาญาณมันวิเศษกว่านั้นมันเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายนักวินาบาตจังเมการเกิดเจ็บเจบตายวิธีสลดสร้างขนาดไหนต่ญานวิปัสนาญาณนมันเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายแล้วก็เริ่มต้นจากลาดไปเห็น ใจเห็นใจเห็นเวทนาเห็นสุขเห็นทุกข์ไปจนมันเกล้าเห็นไม่เป็นคง่ายง่ายเห็นทุกข์ออกจากทุกข์ไม่เป็นทุกข์นี่หลัก หลักริสัตธ <c> ์ <oughs> ที่จะดีที่โยอดเยี่ยมที่สุดน้ำสมัยเห็นทุกออกจากทุกไม่เป็นผู้ทุกเหมือนเห็นงูออกจากงูพ้นจากงูการออกไปไม่ใช่มีเครื่องไมเครื่องมืออะไร เพียงแต่มิสมาทิติ ม, มิฉาทิธิมชชธส ม, มาทิติเห็นถูกมิฉาทิธิเห็นผิดเอาทุกเป็นตัวเป็นตนโกโก้เทากูได้โกรตตายก็ไม่ลืมมิฉาทิติส ม, มาทิติเห็นมันโกรตออกจากความโกรไม่เป็นผู้โกรตอันหนึ่งเห็นอันหนึ่งเป็นมันจะต่างกันเป็นผู้โกรต เห็นมันโกรธโอบโกรธอันเดียวคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งเห็นถ้าเห็นมันคนละอันถ้าเป็นมันเป็นอันเดียวเป็นตัวเป็นตน้นเป็นอุปทานมีอะไรมาเกิดแบบนี้ของจริงของเท็ไม่ใช่ไปถามใครไม่มีคําถามชัจธรรมนี่จะคำตอบเอา อะไรมันจึงตอบเพราะธรรมชาติมันสอนธรรมชาติก็ตอบได้นีปั จ, จนายาณกรรมฐาน <c oughs> นี่คื อ, คอมันศักดิ์สิทธิ์แบบนี้อันหนึ่งเป็นทุกข์อันหนึ่งเห็นมันทุกข์ถ้าเห็นแล้วก็ง่ายกว่าเป็น มือนคนเป็นเนี่ยไม่เห็นเหมือนงูกัเพราะไม่เห็นจึงถูกงูกัดเพราะไม่ดูทำไมไม่ดูเพราะไม่มีตาทำไมไม่มีตาไม่เหลินดูตาในคือสติเป็นหน้ารอบเนี่ยจึงมาดูซะดูกายดู เวทนาดูจิตดูธรรมมันกลายเป็นสูตรมันเวทนาจิตธรรมมันมาที่หลังมันเกิดจากกายาเราเห็นกายมันเกิดขึ้นมาให้เห็นนี่ผู้เฉลยให้แล้วพระเจ้าเฉลยไปแล้วก่อนที่จะมาลูกเราเนี่ยเกือบตายไปตดหลองอยู่ตั้งหกปีโดยวิธีการต่าง ไปศึกษาขุตกาดาบทได้ฌานสมาบัติเกตไปศึกษาต่ออปาดาละดาบทได้ฌานสมาบัติแปดยังไม่ยังไม่ยังไม่จบต้องไปศึกษาด้วยตนเองยังมารู้เรื่องนี้เป็นสูตรสำเร็จการตัดไว้ดีแล้วมีใคร น ใ, ใครจะเพิ่มเบีกไปได้จะตัดออกกันไปได้ชีวิตของคนโบราณบรรพบุรุดสองพันกว่าปีสองพันห้าล้อยเก้าสิบแปดปีหลุนมีมนุษย์คนไหนในโลก สมกับท e e ี่ว่าเป็นศาสตราเอกเอกคือหนึ่งเท่านั้นในโลกก่อนศาสดาทั Tal ้งหลายโดยเฉพาะกรรมฐานเนี่ยเป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดมีเป็นวิชาต้นต้นปฏิบัติปริยัติปฏิเพร ปฏิบัติก่อนยังมีปริยัติทีหลังเดี๋ยวนี้ก็มีปริยัติก่อนนีปฏิบัติแตจจะไม่มีเลยบวชไปเลยท่องได้เป็นภาษาโนเ ก, กวหนคุนทองเปิดทำเอปะทำไมวิภาคปริเขตที่หนึ่งตักจู ต, ตั้งดาแคตรี เปิดหน้าแรกอ่านดูก็บอกว่าทำมิอุปการละมากสองอย่างหนึ่งสติความลึกได้สองสัมปชัญญะความรู้ตัวทําอันทําให้งามสองอย่างขันติหนึ่งขันติความอดทนสองสุลจะความใจเยี่ยมบุคคลถานยากสองอย่างหนึ่งบุพการีบุคคลผู้ทำปาระก่อนสองกตัญญูแต่เวทีบุคคลผู้ทํำปการะ ผู้บุคคลผู้รูปเบื่อแล้วก่อนตอบแทนเรียนไปภาษาหนุแก้วหนุคุคนทองพ้องได้ว่าได้สอบได้ไปประกาศมาห้อยฝาแต่ยังโกรธยังทุบยังทำชั่วยังทำผิดยังทำถูกนักทมปีโทรเอกยังกินเหล้ามอยาเป็นโจรผู้ไา่ก็มี ปฏิบัตรมันมาก่อนมันมาอ่านเอาอกได้เป็นตำลาเล่มใหญ่กายเป็นตำลาใจเป็นตำราสติเป็นนักศึกษาแตกแขนแล้วจบแล้วในกายในใจนี้เป็นสาบันที่เรียนจบจึงมาเขียนเป็นตำลาขึ้นมาอุเจ้าปณิธานไปหลายร้อยปีจึงมาเขียนตำลาขึ้นมาแต่ก่อนไม่มีตำลาไม่แต่บอกกันและต่อไป จงเอากันมามาเขียนเตรมลาขึ้นมาปฏิบัติปริยัติ ป, ฏ, ป, ฏ, ปฏิเวทนี่เราก็รู้เลยแผนที่ก็ยิ่งดีใหญ่เอามาเาแผนที่มาเดินตามติความรู้ได้ กายทวชนาเราก็มีกายเอามาตั้งวิธีกายลองดูจะให้มันฟรีอย่าใช้กายมาฟรีแล้วหายใจฟรีมานานแล้วเคลื่อนไหวฟรีมานานแล้วเดินฟรีมานานแล้วมาให้รูนลูกอยู่ที่กายอันี้บที่เคลื่อนไหวตามวิชากัรมฐานหายใจเข้าลูสึกหายใจออกลูสึก เดินได้รู้สึกในพืชสูตรต้นต้นอู้แขนเข้ารู้สึกกีตนาเหยื่แขนออกรู้สึกในวันเพน็ญดนุกปัจจิตตะทําแบบนี้อู้แขนเข้ารู้สึกเหยื่ขนดอกรู้สึกวันนี้ก็เปลี่ยนมาลมหายใจเข้ารู้สึกในหลังหายใจก็วางมือไว้มาลมมาจับลมหายใจเข้ารู้สึก หายิยออกรู้สึกตานทีก็ับตาได้รู้ได้วันทีก็ลืมตาก็รู้ได้ความรู้สึกไม่มีอะไรขวางกั้นได้ในมหัดให้มันรู้ไปในกายเอาความรู้ไปในกายให้มันไปจุ่มไปติดเอากับกายมันก็จะเห็นเป็น สูดไปโดยเพราะวิทยกรรมฐานนทุกวันนี้มันผ่านมานานจะมาถึงยุคหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันมันแบบชะเอะกันไม่ใช่มาคิดไม่ต้องใช้สมองมีสติก็ไม่ใช่สมองให้มันลูกขึ้นมาเฉย มันก็จะเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นตุ่นดุ้นเป็นก้อนเห็นความหลงก็เป็นความหลงจริงๆไม่ใช่ความรู้เห็นความทุกข์ก็เป็นทุกข์จริงจริงไม่ใช่ความสุขไม่ต้องไป ร, รูปคำมันบอกนี่มันคือทุกข์นี่มันคือหลงนี่มันคือโกรดนี่มันคือการปรุงแต่งนี่มันคือไม่ปรุงหยุดปรุงมาเป็นคู่กัน รองหลงมาพร้อมกันกับความรู้ความทุกข์มาพร้อมกันกับความไม่ทุกข์ก็โกรธบางพร้อมกันกับความไม่โกรธมีโอกาสร้อยเปอเซ็นเวลามาโกรธมีโอกาสเปลี่ยนความโกรเป็นความไม่โกรธร้อยเปอเซ็นของชีวิตทุกชีวิตไม่ต้องขอยขอญาตาจากใคร <c oughs> ในี่เรือนเตือนมาฐาน มาถึงยุคหลวงพ่อเทียนจะถึงศตวรรษหนึ่งศตวรรษในปีหน้าเดือนตุลากันยานี่ปีเชสองพันน้สิบส่กรรมการจะจัดงานครบรอบร้อยปีหลวงพ่อเทียนขึ้นกำลังดาเนินา ง, งานกันอยู่ ลรวก็ระบุที่นี่ที่หนึ่งสุขโต ท, ที่หนึ่งเรียนมาจะร้อยกองจะลำดับคำสอนแล้วก็เทียนที่มันเด่นๆไว้เป็นหมวดเป็นหม่มันใช่ได้จริงๆในยุคนี้สมัยนี้มันเป็นสาข์นจริงๆไปไปสอน คนต่างชาติต่างศาสนาให้เขาตอบเอาจุดแรกเข้มาโขเราค่าอยูเดินมาขายีเรานั่งอยู่เขามาขี่น้เราอยู่นอกประตูมันหนาวอยู่นอกประตูเขาจะขอเข้ามา สัมภาษณ์ได้ไหมต้องจะเข้าไปสัมภาษณ์ได้ไหมโดูหน้าต า, า ก, ก็เหมือนกับไม่เป็นมิตรเราเลยเราบอกว่าเข้ามาได้สัมภาษณ์ได้พอเขาเข้ามาเขาก็บว่ายืนอยู่เรานั่งอยู่แบบเนี้กำลังสอนธรรมะอยู่แบบนี้ต่อหน้าคนปฏิบัติเราก็ยืนคนรู้เลยมึงเ ก็มาสอนที่เรื่องอะไรก็เลยบอกเขานั่งลงก็เขานั่งลงแล้วก็บอกว่าเราลู่ตัวเองก็ล <c oughs> ู่ตัวเองก็ลู่ยังไงก็อบอกให้เขาเอาเงไ่อวางไนเขาให้เขาพลิกเงื่อขึ้นลู่สึกตัวยกขึ้นรู้สึกตัวลู่สึกตัวลู่สุดลู่สุดลู่สุด เอ้ชุดตัวโอชุดตัวโอชุดตัวถามรูปแบบที่เราทำนะแล้วก็เ่าก็ทำอยู่รอบสองรอบก็ถามเขาว่าคุณใครรู้อย่างนี้ไหมเอาว่าไม่เคยรูโยโ้คุณเป็นรู้อะไรล่ะ คุณไปถึงโลกประจันแล้วคุณไม่รู้ตัวเองเลยแล้ว่าไม่ยถูกรู้คนเอเชียเขารู้เรื่องนี้นะศาสนาทั้งหลายเคยอยู่เอเชียนะก็วางรู้เรื่องนี้กันก็าาพาเขาถามว่าคุณเป็นศาสนาอะไรแล้ว่าศาสนาคิดศาสนาคิดเขารู้หลือรู้รวมรู้นี่เป็นของคิดไหมไม่เป็น เป็นของพูดไหมไม่เป็นเป็นของใครไหมไม่เป็นเป็นของใครเป็นของผู้รู้เลยใครรู้เป็นของคนนั้นนี่จะเป็นสาคนใครอยากรู้ก็เป็นของคนนั้นไครไม่อยากรู้ก็ไม่ใช่ของคนนั้นเป็นของคนที่รู้เราจะกรรมเป็นของของตนกรรมจาแนกสัตว์เราจะอยู่ยังไงรู้เรื่นี้เรลองดูนเขาจะประชุม ก็ให้ให้ให้มาร่วมกันก็ดีจำจำมาได้กาหนดวันไหน <c oughs> ล้อยปีหลงก็เทียนหนี่ก็คือกรรมฐานเป็นกรรมฐานไม่ใช่การศึกษาแบบอื่นมีทั้งหมดอยู่ที่เนี่ยละความชั่วทำความดีจิตบริสุทธิ์ก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไป เป็นไใจฉิขาไปแล้วไม่ต้องอ่านตํารลาละเพรามีสติมันก็รับความชั่วมีสติก็ทําความดีมีสติจิตก็บริสุทธิ์แล้วมีวัฒนธรรมแบบเราเป็นชาพุทธในเมืองไทยศาสตรพระุทธในวมงไทยวัดวาอารามในเมืงไทยพระสงฆ์ในเมืองไทยคนไทยนี่ยังมีเจ้านาคสี่โลกจะบวชวันนี้อุบาล ให้บวชถือการบวชเป็นอบายก็ดีบวชนี่น ก, นก็มีโอกาสเหตุนั่นหนึ่งวิไนอันหนึง่งมีวิัยเข้าปอบเข้าพิมพ์ดูมาหลอกมาเข้าพิมพ์การถือบวชมาเข้าพิมพ์เพื่อหล่อให้เป็นพิมพ์พิมพ์ของพระวิไนวิ ไนยะวิคือวิเศษไนยะคือนำไปนำไปสู่การวิเศษวิไนพรกเจ้าเคยตัดเรื่องนี้แจสาวก ต, นตน้นๆเช่นปัญจวัคคีเธอจึงเป็นภิกษุมาเถิดทำไม่ไหนเราตัดไปดีแล้วเธอจงเป็นผู้พึดตามทำใม้ไหนนั่นเถิด ถ้าใครยังไม่เป็นพระรหันต์ตเถอจงปุถุพตามทํำไปไหนให้เป็นที่สิ้นทุกเถอถ้าใครเป็นพระรหันต์แล้วถือบวชทีหลังเยอะก็จงเป็นเธอจงปฏิบัติตามทำไปไหนนั่นเถิดมันวิวิคือวิเศษไวยะนําไปเป็นพิมพ์เขาพิมพ์ลองดูหล่อให้มันเป็นรูปแบบยึงอาศัยทำอะไรนนี้เห็นรูปแบบ ส่วนมากถือบวชกันมาตั้งแต่พระเจ้าได้เป็นอุบัติขึ้นมาได้สามเดือนนับแต่เ ป, เป็นเดือนหกถึงมันเป็นเดือน8ปดภายในสามเดือนนีมีพระอาหารหันเกิดขึ้นห้าลูกโดยถือบวชแบบนี้มีมาก่อนตั้งแต่ยุทธะได้เห็นเกิดเจ็บเจ็บตายเห็นสมณะ มันมีมาก่อนมันใช่อยู่ที่นี่เพราะนั้นการบวชแล้วก็ต้องมาปฏิบัติธรรมลองดูวั น, นนี้ก็สมควรเจรเวลาเราฉันเช่าเสร็จเราจะไปบวชที่กัทภูโขท อ, องจบเท่านี้นะกลับพระพ่อมน